ตกมาสมัยทึงวันนี้เป็นมด้านวัตถุโกงั้งข้ามไปเลยเราจะเห็นได้ในาที่ต่างๆแล้วเพราะอย่างยิ่งตามมัดวาอารามมีแต่การก่อการสร้างระดับถึงความสวยงามมันเป็นถือว่าเป็นกิจของศาสน า, าจริงๆขึ้นมาซะแล้วทำกุศลการทำไมสนใจในกิจเหล่านี้ แต่สนใจในการพุทปฏิบัติเพื่อคำตัดที่เหล็กมากยิ่งกว่าทางด้านวัตถุการอยู่ด้วยกันก็อยู่ด้วยความสงบ ม, เมุเงียจเฉพาะพระเราจะเห็นได้เวลาท่านสอนทางเกี่ยวกับเรื่องความสงดเกี่ยวกับพระวิญัยน เวลาถ้าต้องการไม้ที่จะมาทำประโยชน์อะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้โบกมือมองเห็นอ น, นุบัสบัญจะเป็นเนินกาตามเป็นราวาสน่าดูมผู้ใ่ก็ตามที่มีอยู่ในวันนั้นให้โบกมือให้คุณนั่นมาแล้วก็บอกว่าเราจะต้องการนีๆ ไม่ให้เลือกไม่ให้ตะคนเลือกแปลว่าท่านต้องการความสงัดหรือท่านอยู่ด้วยความสงัดตลอดเวลาสถานที่ทงความภาคเพียนของท่านแต่เป็นที่หน้าดูแต่เรากลับเป็นสถานที่อยู่เป็นที่น่าดูเป็นเรื่องของโลกแต่สถานที่ทำความเพียรไม่มี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 วาดฟันหันแลกกับยิ้เหนั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่ง น, น่ะเวลาท่านสนทนาธรรมะกันจะสนทนาตั้งแต่เรื่องอัดเรื่องทำเรื่องเหตุเรื่องผลเพื่อาการแก้ยิ้เลืสถานที่ก็แสดงถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ทําความเพียรที่เดินในข่มสมาธิภาวนาทั้งนั้นเรื่องการบ้านการเมืองไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเลย ตัวมันข้ามโกงข้ามหมดุกอย่างที่วันนี้เรื่องธรรมะไม่ค่อมีมีเรื่องการบ้านการเมืองยุ่งไปหมดนั่งทุ่มมือกัที่ตรงไหนมีแต่เรื่องเดียวกันหากว่าจะพิจารณาจะโรงธรรมะต้องเลิกมันก็ควรได้โปร่งตลอดเวลามีเรื่องของกิเลสมันจะหมดสิ้นไปได้อย่างไรศาสนา ก, ก็เลยกลายเป็นถักแต่ว่าศาสนาทําอะไรก็สันแต่ว่าเป็นพิธีได้พิธีไปหมด นี่พิธีก็เลยออกหน้าออกตาเลยเป็นถือเป็นสาระแก่นสารเป็นเนื้อเป็นหนังขึ้นมาความจริงก็เลยกลายเป็นตัวพี้เป็นอะไรไปสุดท้ายออมาตำหนิศาสนาว่าหมดเกล็กหมดสมัยนักปู๋มนิทานไม่มีอย่างนั้นมีอยู่เยอะถ้าจะมาตำหนิ ต, ตันซะบ้างก็ควรจะกระเทือนพิเรกต้องามาตำหนิศาสนาซึ่งเป็นการส่งสี่เอได้ดีะ นิยมนเข้ามาถึงเราผู้ปฏิบัติวาระของจิตที่ไปทางที่สังสมวิเิยะนั้นมีมากน้อยเชียงไรแต่วาระของจิตที่คิดเพื่ออัดเพื่อทำอ น, นี่นอนควรจะนํามาทดสอบกันเพราะการกล่าวทั้งนี้ไม่ได้กล่าวเพื่อตําหนิจิตเจียนผู้หนึ่งผู้ใดแต่เป็นเรื่องของธรรมที่จะสงเคราะห์เข้ามาสี่ตัวของเราผู้มุ่งหวังต่อธรรมอยู่แล้วและกําลังฟังอักฟังธรรมอยู่เวลานี้ พูดกันด่าดึงตุ๊กแข็งตุ๊กโขหมอปกแดงเป็นนั้นปกคอมนุษย์มนุษย์เป็นอย่างนี้อันนั้นก็เป็นเรื่องหน่อหสําหรับโลกเป็นอย่างนั้นจะให้เสือว่าแดงหรือไม่แดงเมื่อพิเรนหาอาสามันพอกกลุ่จิตใจขึ้นมากๆอยู่ที่ไหนมันก็ร้องเหมือนกันคนนั่นแหะเหยียดเยือนคนมากยิ่งกว่าอันใดที่จะมาเหยียดเยือนทำลายนอกจากคนเหยียดเยือนกันอารัฐเอาเกียบกันเพราะมนุษย์ ที่เทลารมันทำได้ทุกอย่างทำศาสนามีความเห็นแ จ, จแตกระยำการโต้เหตุดโดยผลเป็นต้นไม่มีอยู่วามในจิตใจล้วไม่ว่าจะให้ชื่อให้นามรัฐ ล, ลึกการกระทำนั้นๆว่าเป็นอะไรก็ตามมันก็คือความเดือดร้อนนั่นแหละที่เกิดขึ้นจากการกระทำ จิตใจของเราเมือ่อใดคิดไปในทางที่เป็นเครื่องก่อควนวุ่นวาตัวเองมันก็ทํานองเดียวกันนั้นถ้าคิดมาดทางเหตุทางผลทางอัตต์ทางธรรมมันก็มีการยัดยัง้ทงทั้งทั้งตัวเองและมีการแบ่งสู้แบ่งรับที่มีการต่อสู้ในสิ่งที่ตนเห็นว่าเป็นค่าสึกใจใจจิตใจก็มีความเจริญขึ้นได้เมื่อมีความรักษากันอยู่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 สีเป็นอย่างไรผ้าขาวก็ต้องเป็นไปตามสีที่ย้อนจิตใจที่แรกก็ท่านบอกว่าผ่องใสน่ะตามหลักตามตั้งกล่าวไว้แต่อาศัยที่เล็กที่จรมาความที่กิเลสจรมาก็คือจิตนี้เองจะนี้เองจรออกไปหายกิเลสออกไปทางรูปทางเสียนทางสินทางรถแล้วก็นําอารมณ์หลานั่นเข้ามานั่นแหละที่ว่ากิเลสจรมาขึ้นมากับอารมณ์อันนั้นเนื่องจากจิตตึกว่าประยุติเป็นอย่างโอสิงนั่นเข้ามาเป็นอารมณ์ของใจ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 ตาหูจมูกเลื่นกายไม่มีมีแต่จิตเป็นล้วนนั้นมันก็เป็นจิตที่โปร่งใสคือจิตไม่ได้ใช้สิ่งยามีพอเข้ามาค้าเ้าวกับส่วนร่างกายมีธาตุมีแล้วก็มีเครื่องมือขึ้นมาจิตก็แสดงตัวออกได้ตามกําลังของเครื่องมือที่พอจะใช้ได้ขนาดไหนเป็นเด็กเล็ ก, ก, ก, กจริงๆก็ยังใช้มาไมหญ่เต็มได้เต็มหน่วย พอเตัวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างก็พร้อมกันขึ้นมาตาหูจมูกเลี้ยงกายกกใช้ได้เป็นเชนนั้นอ่ะตากดูหูก็ฟังเรื่อยกิเลสก็เข้ามาเรื่อยอันนี้ก็เลยไนมะ่ทราบว่า อ, อะไรเป็นอะไรหมดทั้งตัวร้่นแรกตั้งแต่เป็นรุ่นของกิลเลสตัณหาอสาสวะทั้งหมดคิดตอนไหนแงในมุลใดเวลาใดอดีตคืออนาคตรุนแรกตั้งแต่การก่อขก้นของกิเลส หันเข้ามาภายในจิตใจของตนอยู่เพิ่มพูนขึ้นไปโดยลาดับลําดับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะแก้มันยังลบาบากเพราะการสั่งสมเราสังสมมาตั้งแต่เราไม่รู้จักยังสาภาวะมันก็สั่งสมมาได้เลยกับไหนกันไหนก็สังสมมาการที่จะแก้ให้โดยสุดหรือให้ผ่องใสาตามใจมากใจมกใหมายความทั้คันของตนนั้นมันจึงเป็นไปได้ยากมันควรจะเหตุจะผลที่จะ มีความสงบหรือมีความผ่องใสไปได้มากน้อยเพียงไรตามแต่เหตุคือการกระท h a ของเราแต่เมื่อทำอยู่มาหยุดมาถอยมีการชนะทาร์านกันอยู่มีการบำรุงรักษาอย่เสมอจิตก็ค่คอยจะญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆนะแต่ในปัจจุบันของเรานี้จะเป็นชั่วระยะเดือนก็ตามระยะปีก็ตามด้วยการระมัดระวัง ร, รักษาจิตอยู่โดยสม่ำเสมอเราจะทราบเรื่องความเคลื่อนไหวอาการของจิต พร้มทั้งจิตตัวจิตเองว่ามีความแตกต่างจากแต่ก่อนอย่างไรบ้างมีเราพอทราบได้หาเพราะเราไม่ได้อบรมอะไรเลยปล่อยไว้ตามบุญตามกรรมมันก็เหมือนกับหลังหนีคือมันดำเสมืนหลังหนีพออะไราไปถูกมันก็ไม่ทราบว่ามันเปื่อนมันเปรอะอะไรต่ออะไร เ, เพราะมันดำทั้งหมดเลยไม่ทราบว่า มันเพื่อนที่ตรงไหนมันสะขปลกที่ตรงไหนแต่หมกมีการช้านั่งโดยลําดับลาดับขึ้นมามันก็พอทราบได้ถึงเรามาปฏิบัติภายในเดือนนี้เป็นอย่างไรจิตปฏิบัติอยู่เสมอได้รับการอารมอยู่เสมอภายในเดือนนี้เป็นยังไงเดือนหน้าเดือนต่อมาเป็นยังไงโดยลําดับลำดับมันก็ทราบมาได้โดยลําดับเพรผลค่อยปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อย ความสงอบแต่ก่อนเป็นอย่างนั้นบันนี้กลายมาเป็นอย่างนี้นฐานจิตแต่ก่อนมีความหยากน่าจะมีความสงบหรือเป็นฐานจิตได้แต่ฐานนั้นกับฐานของจิตปัจจุนนี้มีความละเอียดต่างกาันหะากพูดถึงด้านปัญญาแต่ก่อนพิจะนาเขารู้สึกคุกขัดคุกขัดนะไปไหนคิดอะไรก็ไม่ค่อยได้เหตุได้ผลมีแต่ความขี้เกียดนะขั้นต่อมาก็ค่อยได้เหตุได้ผลขึ้นไปโดยลําดับลำดับต่อมาก็คล่องแคล่วเนี่ยผิดกันมาเป็นเรื่อย การเคลื่อนไหวของสติของปัญญาที่ดําเนินอยู่โดยสม่ำเสมอนั้นก็คือการชำะระซักพอกความหมุนหมองของที่เดชซึ่งมีอยู่ภายในจิตใ จ, ใจใค่อยหมดไปหมดไปใจิตใจก็ค่อยแสดงความโปร่งใสขึ้นมาเรื่อยๆนี่แหละความปรากฏว่ า, าศาสนาเสื่อมหรือาศาสนาเจริญจะปรากฏที่ใจของผู้ปฏิบัติาศาสนานั่นแหละไม่ใช่จะปรากฏที่คัำพีใบลานที่ท่านเขียนมากี่คำพีก็มีอยู่อย่างนั้นแต่ว่าเสือ่อมหรือเจริญก็เป็นคำพีอย่างนั้น ว่าบนใดคำใดก็ถูกต้องไปตามที่ท่านเขียนท่านจารึกมาไว้แล้วนั่นจะเสื่อมไปที่ไหนนั่นเป็นอันหนึ่งความเสื่อมของศาสนากไ็ได้แก่ความเคลื่อนไหวของคนนั่นเองห า, า, าจิตกายวาวาจาเคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำํำศาสนาก็ค่อยเสื่อมไปโดยลําดับไม่มีศีลมีธรรมไม่มีเหตุมีผล น, นี่ไมคํานึงถึงความผิดถูกชั่วดีศาสนาเสื่อมไปอย่างนั้น การปฏิบัติส่งเสริมทั้งจิตใจของเรารักษาจิตใจของโดยสม่ำเสมอก็ม <I S 2> ีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดรลำดับลำดับนี่แหละศาสนาเจริญคือเจริญที่ใจของเราเหตุก็เจริญได้จากการปฏิบัติโดยะสม่ำเสมอนี่อย่างเจริญมันเรื่อยๆผลสิ่งที่เราจะคุณได้รับก็มีความสงบเย็นไปโดยลำดับปัญญาค่อยๆแตกแขนงออกไปเรื่อยๆ ขาดกาวจิตใจตั้างบนให้มีความต่องสายให้มีความแก้วกล้าสามารถขึ้นไปโดยลําดับลำดับเนี่ยเจริญขึ้นเรื่อยๆภายในจิตใจนี่แหละเรียกว่าศาสนาจเจริญศาสนาจเจริญกับมรรคเจริญก็อยู่ในอันเดียวกันขื้นอยู่ในจิตนั่นแหละเวลานี้เรามาบํารุงศาสนาคือบํำรุงจิตใจของเราให้มีความจเจริญทันกับเหตุการ์ต่างๆที่เคยเป็นข้าศิกต่อจิตใจ้สติปัญญาเฟิตขึ้นเรื่อยๆ พยายามค้นคว้าในสิ่งที่มีอยู่เราติดสิ่งที่มีอยู่นี่แหละไม่ได้ติดในสิ่งที่ไม่อยู่ที่ไม่ได้มีรักกรัสิ่งที่มีอยู่เกลียดโกรธทั้งก็สิ่งที่มีอยู่การแก้ึงแก้สิ่งที่มีอยู่นี่ที่ถือว่าเป็นค่าศึกคําว่าแก้ก็ได้แตแก้ความรู้ความเห็นของตนเองให้ไปในทางที่ถูกเมื่อถูกแล้วก็ค่อยปล่อยทิ้งไปเรื่อยๆจิตใจก็เบาเมื่อานะ กิเลส อ, อาสะวะทั้งหลายมันเกิดขึ้นจากการยึดมัน่นถือมัน่นมันเบาลงไปเบาลงไปคือก็ค่อยดีขึ้นดุจขึ้นปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนกิเลส แ, แต่ละตัวแต่ตตัวแ่ละประเภทเรื่องของปัญญาทั้งนั้นสมาธิเป็นสิ่งที่จะล่อมจิตใจเข้ามาสู่จุดที่หมายเพื่อจะดำเนิน ง, งานได้สะดวกห้าว่าจิตไม่มีความสงบเลยนี่เราจะพิจารณาทางด้านปัญญากลายเป็นสัญญาวุ่นวายไปหมด ใช่เหตุทผลไม่ได้นอกจากจนกรอบเป็นมุมจริงๆจะนําปัญญานั้นมาใช้เพื่ออบรมให้เป็นสมาธินั้นได้นะเวลาจําเป็นถึงเราก็ถือเอาทุกขเวทนาเป็นต้นหรือจนกรอบด้วยเหตุอันใดแล้วถือเอาความจนถือเหตุที่จนกรอกนั้นถือสิ่งนั้นเป็นเป้าหมายหรือเป็นตัวเหตุสําคัญที่จะต้องพิจารณาให้ทานกับเหตุการณ์นั้นนั้นนิยิเพื่อความเหลือตลาดขึ้นมาได้จิต ก, ก็ยังเข้าถึงจุดหมายที่ต้องการได้แต่ธรรมนา กิจจิมไม่ค่อรมีความสงบภายในจิตใจเลยนี้เราจะพิจารณาทางด้านปัญญาไม่ค่อยจะได้ผลเท่าที่ควรพอพิจารณาไปที่แรกก็ก็ดูเหมือนเป็นปัญญาขั้นต่อไปก็ต่อไปตไป่ไปก็่อยทะเลถลายทะเลถ ล, ล, ลายไปเรื่อยกลายเป็นขั้นอารมณ์ไปเรื่อยๆเหมือนธรรมดาที่ไม่เคยพิจารณาเลยนั้นท่านยังสอนให้จิตมีความสงบสมาธิอบรมปัญญาตามหาาลักธรรมทังก่าไว้ว่าสมาธิปริทาวิกาปัญญามาพนะพราหม โมติภารในสร้งาสงสร้างสมปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอะไรสวงมาก mm hmm. ปัญญาปริภายต่างจิตกลางสัมมเดวะอสเวหิมุจติจิต mm hmm. ท, ที่ปัญญาอบรมแล้วย่อมหยุดพ้นจากที่เดือดทั้งกูรโดยชอบน mm hmm. านเหตุที่ปัญญาจะ ก, ก้าวเดินได้โดยความสะดวกสบายก็คือมีสมาธิความอุ่นหนาฟ้าข้างอยู่ภายในจิตใจ ถ้าเราจะเทียบถึงท่าขันก็เกิดท่าขันก่อนได้รับทานอาหารมาพอสมควรแล้พักผ่อนนอนหลับให้มีความสะดวกสบายจะทาหน้าที่การงานอะไรก็ได้จิตใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะความหงอยเป็นเหตุนี่จิตใจที่มีความสงบย่อมไม่หงอยต่ออารมณ์ทั้งหลายเหมือนจิตใจที่ธรรมดาซึ่งไม่ได้มีความสงบเลยเมื่อจิตใจสงบเราจะพพิจารณาแยกแยะเหตุเรื่องอะไรก็ตาม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 แต่กรณีพิเศษที่ว่าปัญญาลมสมาี่นั่นบอกไปได้อธิบายได้แล้วมันถึงข่าวจนตอกเป็นมุมเขาจริงปัญญาจะหมุนตัวไ ป, ไปทันทีทันใดและได้เห็นเห็นผลประจักษ์คือจุดจะแนวลงไปโดยลาดับเพราะอนนานาจของปัญญาที่ทำด้วยความจดจ่อจริงๆทำแบบเอาเป็นเอาตายเขาว่ากันเลยไม่สนใจกับงานอื่นสิ่งใดทั้งหมดทั้งหน้าตั้งตาทาธุระหน้าที่นั้นอันนั้นในปัจจุบันทันด่วน ก็เห็นผลขึ้นมาเบื้องต้นของการเนินปัญญาต้องอาศัยสมาธิเป็นหลักตายตัวเป็นสิ่งสำคัญอยู่มากแต่พอปัญญาได้กล้าเดินไปแล้วเรื่องสมาธินั้นจะค่อยด้อยลงด้อยลงแล่ค่อยจะมาสนใจอะไรมากกับสมาธิจิกจะเทินต่อการพิจารณาไปลอยการพิจารณาก็จะหมายถึงพิจารณาอะไร กัพิรณาสิ่งที่มีอยู่ติดอยู่นั่นแหละอะไรเราติดอนี่พูดุถ่านี้เราก็ทราบแต่พ่ออย่างยิ่งก็คือข้าคือฐันจิตมันติดที่นี่จึงควงค่าสิสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นชัดเจนคือคลื่นคลายออกดูเห็นประจักษ์ครั้งนี้ข้างนั้นหลายครั้งหลายหนก็ค่อยเปี่มนแจ้มขึ้นไปเองเส้นเดียวกับเราท่องหนังสือท่องหนึ่งสองหนึ่งมันไม่ได้ท่องหลายครั้งหลายหนก็จําได้เองนี่หมายถึงความจํา ทองและหนมันยังจําได้ปัญญาความพิดนิพิจนาพิจนาแล้วพียนาเล่าค่อยเข้าใจคราวนี้เข้าใจคราวหน้าเข้าใจหลายครั้งแล้วเขาไปมันก็แนบสนิทถึงใจซึ <ille> <SC> ้งถึงใจต่อยได้เลยนานพงศาวพายุโตก็ฮือกตะโตทําให้มากเจริญให้มากไม่ว่าสิ่งใดเจริญจนกระทั uh ่งถึงถึงสีถึงแดนหมายถึงความเข้าใจจริงๆแล้วมันปล่อยของมันเองทำเมื่อเพียงกับว่าพิจารณาแล้วนี่เราเข้าใจแล้ว คั้งนั้นเราเข้าใจแล้วทั้งนี้เราไม่พิจารณาอย่างนั้นก็ไม่ได้จะพิจารณาขีดขั้งสูงื่อตามความเข้าใจนั้นเป็นบทเป็นบาตรฐานสืบเนื่องกันต่อเนื่องมาเป็นลําดักหนักจนกระทั่งถึง ค, ความเข้าใจเต็มภูมิเมื่อเข้าใจเต็มภูมิแล้วก็ปล่อยเองอันเรียกว่าพอถ้ายังไม่พอแล้วต้องพิจารณาจนพอเมื่อพอแล้วจะให้พิจารณาอีกก็ไม่ยอมพิจารณาถ้พาพอแล้วนี่จะพิจารณาอะไรมันรู้เอง เส้นเยอกว่าแล้วรับทานอีกมเยอะแต่บางครั้งไม่รัทานยังไงมันก็รับไม่ได้ก็มันอิ่มแล้วจะรับทานยัไงอีกงานปัญญาเป็นสําคัญ เ, เรื่องถอดถอนจิตเป็นรับเป็นตอนแต่ได้เโดยลำดับเห็นประจักษ์ได้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นเครื่องตะล่อมจิเลตเข้ามาสูจุดหรือตะล่อมจิตเข้ามาให้ สู่ความสงบเพื่อเพิ่มพลังแห่งการพัฒนาทางด้านปัญญาพอปัญญาก้าวเดินตามขันต่างๆหรือข้าวเดินตามอริยสัจก็ได้หิืตามขันอะไรก็แล้วแต่จะคูดเทินไปเทินไปถอดถอนกันได้เข้าใจกันได้เป็นลาดับลนดา ง, ง, ง, งนั้นเป็นปัญญาขั้นเคย ผลรายได้ปรากฏทําทำไมจะไม่เพลินในการงานต้องเพลินไม่ว่างานนอกงานในเมื่อทําลงไปเห็นผลประจักษ์โดยลำดับลำดับ ก, ก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรขึ้นทําอะไรไม่ได้กับมีแต่ความขี้เกียจและไม่อยากทำํำจิตที่ยังไม่เห็นผลในการพิจารณาก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันต้องในบังคับบัญชาทุกยากลําบากเหนดเหื่อยเมือม่อลน้าขนาดไหนก็ต้องบังคับบัญชาให้ทำเมื่อเห็นผล ขึ้นมาครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วก็จะค่อยมีแต่จิตแ ใ, ใจไปเองต่อไปเมื่อผลสูตรเมื่องเป็นลําดับประจกักษ์ถือปัจจโดยไม่ละกันแล้วเรื่องความพยันตมันเพียนไม่ต้องบอกเป็นขึ้นมาเองรถอันใดที่จะยิ่งกว่ารถแห่งธรรมนี่ไม่มีในโลกธานนวินวัยทันยึงว่ารถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงสั่งว่าทั้งปวงก็หมดพอได้ปลาปลขึ้นที่ใจแล้วก็ทําให้ดูดดึง ซึมทราบหรือทราบซึ้งมีความขยันหมั่นเพียรที่จะเพิ่มรถขึ้นไปโดยลํำดับลําดับเพิ่มความเห็นความรู้ให้ซึ้งเข้าไปในธรรมทั้งหลายโดยลํำดับลําดับนี่ความขยันหมั่นเพียรเป็นมาเองอย่างนี้ไม่งั้นจะเรียกว่าเป็นมหารตรีมหาปัญญามไม่ได้ทีแรกจะล้มลุกคุก ค, คานไป ตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างลมไปบ้างตั้งได้บ้างแพ้บ้างชนะบ้างเอากันไปถูถไากันไปด้วยความเพียรของเราต่อมาความชนะก็มีมากขึ้นมากขึ้นผลสุดท้ายคำว่าแพ้ไม่มีเลยให้ตายซะดีกว่าถ้าจะแพ้จิตต์ตัวนั้นตัวนี้ตัวใดก็ตกามขอให้ตายซะดีกว่าที่จะมาแพ้น่ะถึงขั้นนี้ผมน่ายอมถอยมีท่านเรียกปัญญาเต็มมากหรือมหาศีลมหาปัญญา ขออกมาจากปัญญาที่ลู้รูกผู้ขานนั่นแน่แต่เพราะความบำบุงความส่งเสริมฝึกขัดอยู่เสมอก็ต้องมีความคล่องแคล่วคล้าขึ้นเป็นธรมนรมดาเราพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันนี่ละเอียดลนะเอียดก็เพราะปัญญานี่นแหละหลงก็เพราะความไม่พิจารณาเวลารู้ก็รู้สิ่งที่มีอยู่เนี่ยไม่รู้ที่ไหนหลงก็หลงสิ่งที่มีอยู่เวลารู้มันรู้ซึ้ง อ๋อมีอยู่กับตัวทําไมแต่ก่อนไม่รู้กัน ท, ทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่สิ่งเหนี้ขึ้นจะมาปรากฏในขณะนี้เท่านั้นมีอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมทําไมนีความรู้ไปที่ไหนแต่ก่อนถึงไม่เห็นไม่รู้ ท, ทําไมถึงมารู้เดี๋ยวนี้ทั้งๆแต่สิ่งนี้มีอยู่มาตั้ง ม, มีอยู่แต่วันเกิดนี่มันเป็นโทษของตัวเองขณะที่เจอกเข้าไปเจอเข้าแบบคืเจอความจริงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ถ้าลงได้จริงอย่างนั้นรู้ตรงไหนมันก็ละมันก็ถอน ออกไปเรื่อยๆขันตั้งห้าพระพุทธเจ้าท่านละได้เนี่ยท่านเคยหลงขันทั้งห้าแล้วท่านม า, นาพิจารณาก็รู้ขันตั้งห้ากอดังขันตั้งห้าสาวกอราหาันท่านก็เป็นนักหลกด้วยกันเช่นเดียวกับพวกเราหลงโลงหลงสารไั่มีเกินหน้าพวกมกิเลสแหละพวกมีกิเลสต้องหลงด้วยกันเท่านั้นไม่ทราว่าใครจะแข่งใครใครจะเก่งกว่า ใ, ใครมันเท่าๆกัน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 อันนี้จังทุกข์ของหน้าตามันปีนเปีย้อ น, นิจังทุกข์ของหน้าตาคือความจิงนั่นแต่เสียเรียกว่ามันหนักมันหนาพอปัญญาสอดแทรกเข้าไปโดยลำดับดับทะลุไปหมดพอทะลุขันห้าแล้วทะลุหมดทั้งโลกทะลุขันห้าแล้วยังไม่แล้วทะลุจิตทะลุอวิชชาที่มีอยู่ภายในจิตอีกทีนี้โล่งไปหมดถ้ามีอะไรติดเนีย่ยมันก็มีติดอยู่ภายในตัวเองไม่เท่านั้นตัวเองติดตัวเองตัวเองบังตัวเอง ความโง่บางความรู้ความฉลาดแต่ว่าอะไรอวิชชาบางวิชชาที่เด็บางธรรมพอใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าเข้าไปฝิดค้นเข้าไปฝิกคน้คนเข้าไปไอเมฆหมอกข้างหลายที่มันติดเมคิดอยู่ภายในจิตใจนี้ค่อยเบิกกว้างออกไปขยายตัวออกไปพยายตัวไปก็แทงคะลุไปหมดนั่นแหละท่านเรียกว่าโล ก, กวิทูรู้ตรงที่มันมืดๆนี่แหละอม โลกโลกระิถูผู้แจ้งโลกคือโลกธาตุโลกขันเป็นโลกที่มืดที่สุดเป็นโลกที่หนาที่สุดยิ่งกว่าภูเขาทําลายไม่แตกภูเขาทั้งโลกเขาทําลายแตก่กระจายหมดแต่ธาตุขันนี้ทําลายไม่แตกต้องเอาสติปัญญาเขา้าทําลายโดยสม่ําเสมอไม่ลดลนะเมื่อเลือดธาตุเลือดขันออกสู่ความจริงคืออนิจจังทุกข์อนัตตาล้นล้ว น, วนด้วยความซึ้งภายในจิตใจแล้วฆ่าสึก ก็ไม่มีหมดค่าตึกในคันนี้เอาวเข้าไปอยู่ในที่จิตที่เหลือตันหาสาระวิมีที่หลบซ่อนจะไปอยู่ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารวิญานก็าถกถูกตีต้านด้วยสติปัญญาแไปวิ่งเข้าไปสู่จิตอา่าตีตอานเข้าไปสู่จิตอีกเอาให้แหลกไปตามๆกันหมดจิตจะสูนย์ก็ให้สูญไม่มีความเจียดายเลยว่าเมื่อจิตถูกการถูกพิจารณากัวจิตจะจิตหายตัวจิตจะล่มจมเอา้าไม่ต้องกลัว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 เป็นที่อาศัยเป็นที่เกาะของจิตพุทโธพุทโธขั้นต่อไปต่อไปคําว่าพุทโธของกับความรู้ของเราถ้ากลมคืนกันเข้าไปรวมดับจนกลายเป็นอันเดียวกันแล้วคําว่าพุทโธก็ปล่อยได้ในขณะนั้นนี่ก็เป็นพุทโธขั้นหนึ่งพุทโธขั้นนะทที้กล้าคขาจกระทั่งถึงพุทโธขั้นบริสุทธิ์หลุดพ้นจากวิชาสังหาอสวะทั้งหมดนั้นเป็นพุทโธ ท, ที่แท้จริงเป็นธรรมโมแท้เป็นสังโฆแท้พุทธะธรรมะสังฆะเป็นอันเดียวกันในขณะนั้น อาการตามอาการถนัพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์นั่นผูดตามหลักสมมติที่โลกมีสมมติท่านก็แยกประเภทออกไปพระพุทธเจ้าคือศาสดาที่ทรงสั่งสอนโลกโดยอาศัยพระธาตุพระขันอะไรอย่างเนี้ยพระสกุลกายนี่ประกาศสอนโลกอันนี้หลาที่ว่าพุทธะนี่เรือนร่างของพุทธะคือสกุลกายธรรมะก็ได้แจกธโมปรีโปที่มีความสว่างกระจ่างแจ่งอย่างไรท่าไทยที่บริสุทนั้นแน่ สังฆาก็คือผู้ทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อาตามพระพุทธเจ้าทันหนึ่งธรรมเนียบเป็นประเภทประเภทออกพอถึงความจริงกนล้วนแล้วคําว่าพุทธธรรมสังฆานั้นเป็นอันเดียวกันเลยคือเป็นธรรมทั้งแทงชั้นใดชั้นนั้นเหมือนกันหมดอาการไม่มีอาการ พ, าาพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์่งั้นนั้นไม่มีมีแต่ธรรมล้วนๆภ า, ายจิตที่สว่างสไหวย หมดสมมติว่าอดีตอนาคตการะฐานที่ใดๆทั้งหมดไม่มีความหมายสำหรับจิตตรงนั้นนั่นแรลคือจิตที่พ้นจากสิ่งกดท่วงบรรดาสมมติน้อยใหญ่ไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในจิตใจนี่คือผลแห่งการรักษาการปฏิบัติจิตใจบำรุงจิตใจโดยสม่ำเสมอยากก็ตามง่ายก็ตามทานไปด้วยความเพียรทั้งนั้นจนกระ ท, ทั่งถึงขีดหมายปลายทาง ผนั้นเป็นผู้พ้นแล้วจากความจองป่าช้าเป็นนักเกิดแจกจุดตายนักแบบทุกข์ให้ลำบากลาบืนเป็นผู้พ้นไปแล้วยังแต่ขันก็เป็นขันล้นล้วนอาการอะไรที่เกิบปวดผู้นั้นผู้นี้ก็ทราบไปตามธรรมชาติของมันที่มันจะต้องเป็นอย่างนั้นบังคับให้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เพราะทางเดินของอนิจจังทุกข์หน้าตาทุกขังหน้าตาต้องเดินไป ตามาธรรมชาติของเขาผู้ที่รู้ความจริงแล้วก็รู้ตามธรรมชาติของมันต่างอันต่างกินพอถึงวาละสิ้ท้าแล้วทนไม่ไหวเหลอต่อยทิ้งเสียหมดกำมลนหายห่วงโดยประการทั้งปวงนั่นแหละคือทางนิพพานบริสุแทธะคือนิพพานล้วนล้วนอะมุป า, นนาทิเสสนิพพานหมายถึงจิตที่พ้นอสมมุติทำรับผิดชอบโดยประการทั้งปวงแล้ว การกล่าวมาทั้งนี้อยู่ที่ไหนทำที่กล่าวมาทั้งหมดถ้าไม่อยู่ที่ผู้รู้เวลานี้ไม่มีที่อยู่ผู้นี้เป็นผู้แต่เวลานี้เป็นผู้เป็นยังผู้ยังหลงยังไม่สามารถที่จะทําความรู้นี้ให้เป็นภูมิแห่งความรู้ล้วนๆได้จึงต้องอาศัยการซักพ่เพื่อการคิดปฏิบัติการได้ยินได้ฟังจนกระทั่งถึงจุดตัวเองได้เต็มความสามารถบรรลุถึงความเป็นภูมิแล้วมันก็เหมือนกันหมด การแสดำก็ถือว่าสูงสพอยุติกาังนี้